อธิบายเรื่องการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของสัตว์ในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ได้ลงเรื่องการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของสัตว์ซึ่งได้แปลามาจากหนังสือเฟสเช่นเดียวกันและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้กราบเรียนถามท่านเหมือนกันซึ่งท่านได้อธิบายให้ฟังว่า การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของสุนัขดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ซึ่งทางที่จะเป็นไปได้นั้นมีสาเหตุดังนี้คือ 1. ประสาทของสัตว์บางอย่างสามารถที่จะรับความสั่นสะเทือนซึ่งเกิดจากอำนาจจิตหรือเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะไรก็ตามพิเศษกว่าประสาทของมนุษย์ได้ ดังเช่นในกรณีของค้างคาวซึ่งสามารถที่จะบินหลบหลีกอันตรายได้อย่างว่องไวแม้ในที่มืดนั้นนอกจากเพราะมันจะสามารถเห็นอะไรได้ในที่มืดแล้วอีกอย่างเป็นเพราะเสียงของมันที่ร้องกรีดกรีดออกไปแล้วสะท้อนกลับมาหาตัวมันนั้นสามารถทําให้มันรู้ได้ว่าที่ตรงไหนในทิศไหนมีสิ่งกีดขวางซึ่งอาจจะไปชนและนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์บางประเภทเช่นสุนัขหรือเสือซึ่งสามารถที่จะรับกลิ่นได้เป็นพิเศษ โดยที่จมูกของมนุษย์ไม่สามารถที่จะรู้สึกได้อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นการที่สุนัขในเรื่องนี้จะรู้สึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่นายสาวของมันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าอํานาจจิตของนายสาวซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในขณะที่ถูกผู้ชายแปลกหน้าปลุกปล้ําเอานั้นในขณะนั้นเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงสุนัขเพราะไม่คิดว่ามันจะมาช่วยได้ แต่ก็อาจจะนึกถึงพี่ชายหรือใครก็ได้ซึ่งเป็นคนเท่าที่เขาจะนึกได้ในขณะนั้นขอให้มาช่วยอำนาจจิตที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่ต้องการขอความช่วยเหลืออันนี้แหละที่ก่อให้เกิดความสันสะเทือนขึ้นในโลกของวิญญาณแล้วสุนัขของเขาซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ในทางจิตใจกันมาอย่างลึกซึ้งนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากมันโดยตรงก็ตาม แต่ความพิเศษแห่งประสาทของมันประกอบกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอย่างเลือกซึ้งสองอย่างนี้ที่ทำให้มันมีความรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่านายของมันกำลังตกอยู่ในอันตรายและมันทนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงได้วิ่งมาหานายของมันทันทีและก็ได้ช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันท่วงที อันหนึ่งในเรื่องที่มันทนไม่ได้นี้ท่านแนะว่าขอให้นึกถึงสุนัขในขณะที่ได้ยินเสียง ร, รักคังแล้วต้องหอนและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่มีพวกโอปปาติกะหรือพวกผีมาอยู่ในรัศมีที่มันจะได้รับสัมผัสมันก็ทนอยู่ไม่ได้จะต้องหอนอีกเหมือนกันซึ่งเรื่องอย่างนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเพราะเรื่องที่สุนัขหอนในลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในเมืองไทยในต่างประเทศก็มี และก็เป็นที่รู้กันว่าการหอนของสุนัขในลักษณะเช่นนี้ย่อมหมายถึงว่ามันได้เห็นผีหรือไม่เช่นนั้นก็ได้รับอำนาจจิตที่มาจากผีคือไม่เห็นแต่ก็รู้สึกได้ทางกายสัมผัสว่ามีสิ่งที่ประหลาดมาสัมผัสตัวมันและมันทนอยู่ไม่ได้ต้องหอนออกมา ด้วยเหตุนี้การที่สุนัขสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เพราะเหตุที่ได้รับกระแสจิตจากอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ส่วนสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําให้มันรู้ว่ามีอันตรายเกิดขึ้นแกบนายสาวของมันก็คืออาจจะมีโอปปาติกะซึ่งเป็นผู้พิทักษ์นายสาวของมันหรือเป็นผู้ที่คุ้มครองดูแลอยู่ในบ้านนั้นได้เห็นเหตุการณ์ แล้วก็เข้าโดนใจสุนักให้รีบมาช่วยเหตุการณ์ในทำนองนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่มีตัวเป็นสื่อซึ่งสามารถที่จะรับความคิดหรือรับการโดนใจจากโอปปาติกะได้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นได้แก่ทุกคนหรือแก่สัตว์ทุกตัว เรื่องที่เรารู้กันดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์ในที่ซึ่งมีทรัพย์อันมีค่าฝังอยู่มักจะมีงูใหญ่ทําการรักษาซึ่งถ้าใครเข้าไปใกล้ซัพย์สมบัตินั้นงูที่ทําการรักษาก็จะออกมาขับไล่หรือไม่เช่นนั้นก็ไล่กัดให้ตายคนที่ไม่เข้าใจในข้อเท็จจริงแต่ก็ยอมรับว่ามีงูที่เฝ้าสมบัตินั้นมีแน่ก็มักจะเข้าใจว่า เจ้าของทรัพย์ที่ตายไปแล้วมาเกิดเป็นงูเฝ้าสมบัติของตนแต่ความเป็นจริงอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ทางที่จะเป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือเจ้าของทรัพย์ซึ่งในขณะนี้ได้มาเกิดเป็นโอปปาติกะและมีความหวงแหนในทรัพย์สมบัติของตนจึงได้พยายามเข้าสิงในร่างงูหรือพูดอีกนหนึ่งคือสะกดจิตงูที่มีความดุร้ายและเป็นงูขนาดใหญ่ที่จะทาให้คนกลัวให้มาอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งงูเองก็ไม่รู้ตัวว่าทำไมตัวเองจะต้องมาอยู่ที่นี่และทำไมจะต้องห่วงสมบัติเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรแก่มันแต่ทั้งหมดที่มันทำไปโดยไม่รู้สึกตัวก็เพราะตกอยู่ใต้อานาจการสะกดของโอปปาติกะที่เป็นเจ้าของทรัพย์และอีกเรื่องหนึ่งที่เรามักจะเชื่อถือกันคือ ไม่ว่าเสือหรือจระเข้ที่เคยกินคนมาแล้วถือกันว่าจะมีวิญญาณที่ตายสิงอยู่และมันจะต้องหาโอกาสกินคนต่อไปอีกซึ่งคนทั่วไปเรียกว่ามันดุมากขึ้นชอบกินคนมากขึ้นทั้งนี้ก็เพราะมีวิญญาณของคนที่ตายสิงอยู่บังคับให้มันต้องทำอย่างนั้นแต่เหตุผลที่ว่าทำไมมันจะต้องถูกจระเข้หรือเสือกัดตายเหมือนกับตัวเองด้วยนั้น อันนี้เป็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะต้องเอาไว้อธิบายในฉบับหลังเพราะเป็นเรื่องค่อนข้างจะยืดยาวและตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือรถที่เคยชนคนตายหรือที่ตรงไหนซึ่งเคยมีคนถูกรถชนตายก็มักจะมีอุบัติเหตุในทํานองเดียวกันเกิดซ้ำอีกทั้งนี้ก็ถือกันว่าเป็นด้วยอำนาจของวิญญาณของคนที่ตายแล้ว บันดาลให้เป็นอย่างนั้นเรื่องต่างๆในทํานองนี้ถ้าได้พยายามศึกษาดูแล้วเราก็จะได้หลักความจริงว่าเรื่องโอปปาติกะที่จะเข้าสิงหรือเข้าดนใจบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีให้เป็นไปตามความปรารถนาของเขานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และก็เป็นเรื่องปรากฏอยู่ทั่วๆไปทั้งเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยดึกดาบัน